หมดปีละชีวิตเราก็หมดไปอีกปีหนึ่งเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลายคนก็ตายไปในระหว่างปีบางคนก็เจริญขึ้นบางคนก็เสื่อมลงในช่วงปีสมหวังผิดหวังมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์หมุนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ วันเวลาผ่านไปถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเราก็เห็นแต่ความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วคนหลงโลกมันก็เพ้อฝันไปสิ้นปีก็เวพรนกันให้มีความสุขให้สมหวังอย่างนู้นอย่างนี้จริงชีวิตน ะ, จะเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วจเจริญหมุนเวียนไปเรื่อย อยู่ที่กรรมของแต่ละคนใครจะมาให้พรเราให้ดีอย่าโน้นดีอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ตัวชี้ขาดก็คือการกระทำของเราเองอย่างเราทำแต่เรื่องเหลวไหลตหลอดเวลาอย่าวางผลว่าจะดีมันก็ไม่ดีทำเหตุที่จะยากจนเช่นเล่นพนันพนันโน้นพนันนี้พนันบอลพนันอะไรต่ออะไรหวังจะรวยมันก็รวยไม่ได้ ขยันทำหากินรู้จักอด อ, อมรู้จักหากินรู้จักคบคนที่ดีดำรงชีวิตให้พอดีนะกับฐานะเราอย่างี้ความเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นรวยขึ้นทุกอย่างอยู่ที่การจะทาของเราตัวชี้ขาดเลยแต่กรรมมันก็มีหลายกรรมกรรมในอดีตก็มีกรรมในปัจจุบันก็มีทำธุรกิจอยู่ดี เกิดสงครามเกิดสงครามโลกอะไรอย่างนี้ธุรกิจของเราไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยนะปรากเกิดสงครามเราก็เสียหายขึ้นมาบางทีก็เกิดวุ่นวายในบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองเราไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยโดนเผาด้วยอนะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิบากให้ผลเรื่องของกรรมมันซับซ้อนพระเจ้าบอกเป็นอาชินไต เกินคาดเกินฝันแต่หน้าที่เราก็คือทำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดล้วนแหละวิบากให้ผลมาในปีที่ผ่านมาไม่สุขไม่สบายมีปัญหามากก็ถือว่าเป็นวิบากทำกรรมใหม่ให้ดีมีศีลมีธรรมไหในชีวิตจะได้ดีขึ้นความดีมีทั้งเยอะแยะ ทำทานถือศีลอะไรต่ออะไรเยอะแย ะ, ยะพวกเรารู้อยู่เท่านั้นอะไรดีอะไรชั่วทุกคนรู้แต่ว่ามันแพ้กิเลสรู้อยู่ว่าทำอย่างนี้ดีแพ้กิเลสก็ไม่ทํารู้อยู่ว่าอย่างนี้ทำแล้วไม่ดีแพ้กิเลสก็ทํามันต้องขัดสู้กับกิเลสมีสติไว้คอยรู้เท่าทันกิเลส สตินี่เครื่องมือสําคัญที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นธรรมมีอุปการะมากคู่กับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นปัญญาลักษณะหนึ่งรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราพอเรารู้ว่าเราเหมาะอะไรแล้วเช่นเหมาะกับการทำสมถะแบบนี้ล้วก็มีสติตั้งออกตั้งใจทำไปเหมาะกับการทำวิปัสสนาอย่างนี้ก็ตั้งออกตั้งใจทำไปนี่เรียกว่าสัมปชัญญะคือรู้ตัวเองประเมินตัวเองออกว่าควรจะทำอะไรมีสติไปเรื่อย สองสิ่งนี้แหละทําำให้เราเจริญขึ้นนี่อยู่ๆเราจะเจริญเองก็ยากตัวที่ช่วยให้เราเจริญได้ก็มีกัลยาณมิตรสมัยพุทธกาลนั้นมีความชัดเจนว่าใครเป็นกัลยาณมิตรสมัยนี้ไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงรอย่าไปตั้งชื่อ ว่าคนนี้กัลยาณมิตรคนนี้กัลยาณมิตรมันาจะแนะนําเราเพี้ยนไปเลยก็ได้เราต้องศึกษาว่าพระเถรเจ้าสอนอะไรต้องรู้หลักรู้หลักแล้วเราก็ใช้โยนิโสมนัสิการ์ยุคของเราต้องใช้โยนิโสมนัสิการให้มากมีความแยบคายในการสังเกตสิ่งที่เราทําอยู่นี่ถูกหรือไม่ถูกไม่ได้วัด ด้วยความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องวัดด้วยว่ามันถูกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถูกนี่ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรหาญากไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรแต่โยนิโสมนสิการน่ะพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองเพราะนสังเกตให้ดีนะหลวงพ่อจะสอนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเป็นเรื่องช่วยตัวเองเท่านั้นเลย ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้คนอื่นมาช่วยเร า, เาหลวงพ่อเองภาวนามาตั้งแต่เด็กมาช่วยตัวเองมากเลยเรียนจากครูบาอาจารย์นะเรียนเราไม่ได้อยู่วัดอยู่บ้านอยู่กรุงเทพโอกาสจะไปฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อะไรนี่ยมันมีไม่มากอาศัยโยนิโสมนสิกาณ์สังเกตของเราไปเรื่อยๆอย่างตอนเด็กนั่งสมาธินะ ท่านภารีสอนอนาปนาสติขนมารู้ลมหายใจลมหายเป็นแสงตามแสงออกไปเล่นข้างนอกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นแล้วก็เกิดโยนีโสมนาสิการท่นนั้นเจ็ดขวบเองนะก็ออกไปข้างนอกไม่เห็นมีอะไรเลยไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเห็นเทวดาอยู่กับเขาก็ไม่ได้เห็นเขามีบ้านสวยอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เขามีดอกไม้สวยไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้ ก็มีของกินเราไม่ได้กินอย่างเขาด้วยเนี่ยเห็นว่ามันไม่มีสาระเลยแล้วก็กลัวผีด้วยเนี่ยมันก็แยบขายนะว่าไปเจอเทวดาได้ก็อาจจะเจอผีได้ด้วยเจอเทวดาไม่กลัวเจอผีจะกลัวงั้นเลยภานามไม่ให้เคลิ้ ม, มานานแล้วจะไม่ให้เคลิ้มลืมได้ลืมตัว เรานั่งหายใจไปพอใจมันจะเคลิมแล้วก็หายใจเปลี่ยนจังหวะให้มันแรงขึ้นนิดหนึง่งจะตือนความรู้สึกตัวขึ้นมากลายเป็นว่าหายใจเอาความรู้สึกตัวจนกระทังจิตก็สงบจิตสงบลงไปนะความรู้สึกตัวก็เด่นขึ้นมาออกจากสมาธิมาความรู้สึกตัวเนี่เด่นอยู่นานเลยอยู่ได้เป็นวันวั น, วนหลายๆวันแต่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็เสื่อมเนี่ยอาศัยความสังเกตเอานะ ว่าอะไรจะดีอะไรไม่ดีนั่งสมาธิเราเคลิมเห็นโน้นเห็นนี้ไปไม่เห็นดีตรงไหนเลยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาก็สบายใจเหมือนคนติดยาเสพติดเสพยาแล้วก็สบายไปพอหมดฤทธิ์ยามันก็ไม่สบายเหมือนเดิมทำสมาธิแบบติดสมาธิเหมือนคนติดยาญาสายโยนิโสดมณสิการสังเกตเอา ยังมาเจหลวงปู่ดูลทำสมาธิยี่สบปีได้แต่ความรู้สึกตัวอยู่กนะับความสงบเดินปัญญาไม่เป็นหรอกตอนนั้นไม่ได้เรียนธรรมะด้วยก็โง่มากเลยคิดว่าถ้าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันจะเกิดเองมันไม่ยอมเกิดนะตั้งนานก็ไม่ยอมเกิดลงทุนไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกนะอานอ่านานอาน่อานไป อ่านเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งงงนะว่าธรรมะ ม, มีตั้งเยอะแยะแล้วเราจะลงมือปฏิบัติตรงไหนธรรมะตั้งเยอะตั้งแยะจับทิศทางยังไม่ถูกไปเจอหลวงปูด่ดุลนท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองทีแรกก็ดูผิดไปเพ่งจิตไปรักษาจิตเอาไว้หลวงปู่บอกให้ไปดูจิตเราก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรจิตอยู่ที่ไหน จะดูอย่างไรจะเอาะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเลยก็าอาศัยความสังเกตเอาทำใจสงบสบายแล้วก็มีความสงบแล้วก็ใช้โยนิโสมนสิการนจิตเนี้ยต้องอยู่ในร่างกายเราแน่เลยจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกจิตมต้องอยู่ที่ตัวเรานิ่งยังต่อไปนี้จะทำกรรมฐานนะไม่ให้เกินตัวเองออกไปจะรู้อยู่ ไม่เกิดร่างกายนี่ออกไปไม่สนใจข้างนอกเล้วนี่ก็เป็นโยนิโสมันนสิกานันหนึงมันแยบคายค่อยๆ ค, คลําทางไปดนะ้วยความแยกคายเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกสั้นนิดเดียวเลยบอกคำสองคาเท่านะั้นก็ต้องคลําลนี้จิตอยู่ในร่างกายแล้วอยู่ตรงไหนของร่างกายดูเข้าไปที่ผมอาศัยกําลังสมาธิมากดูผมแม้ว่าผมหายไปเลย ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาแทนที่ผมเลยไม่มีไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงจิตอยู่ในร่างกายแต่อยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอจิตไม่ใช่ตัวร่างกายเนี่มันต้องซ่อนอยู่ที่อืนอ่นอีกในจิตซ่อนอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ในเวทนานั่งนิ่งๆ น, นานๆให้มันปวดให้มันเมือ่อยดูความปวดความเมื่อยเข้าไปความปวดความเมื่อยดับไป นานๆ น, น, น, นั่งนานๆถึงปวดแค่ไหนนะมันก็หายนะเพราะความปวดมันก็ไม่เที่ยงทนท น, ทนอนั่งไปเรยมันก็หายหายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรือว่าจิตอยู่ในความสุขมาทําสมาธิขึ้นมานะอะไรจะมีความสุขเหมือนมีสมาธิทําสมาธิมีความสุขดูลงไปในความสุขความสุขดับไปอุเบกขาไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยความสุขอยู่ในร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ มีอยู่มันก็ไม่ใช่จิตอีกความสุขความทุกข์ดับไปแล้วไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่าจิตคือความคิดนี่ค่อยๆ ค, ค, ค้นไปนะจงใจคิดนะพุโทโธสุดๆโธกรุณามหันนะโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวกมาหันนบจงใจคิดมันเห็นกระแสะความคิดเลื้อยขึ้นมาจากกลางอกเลื้อยขึ้นมาจากความว่างๆแล้วสลายไปในความว่าง ทันทีที่สติระลึกรู้ความคิดนะรู้ใจที่มันคิดขึ้นมาปรุงแต่ไม่ใช่เรื่องราวที่คิดนะมันเป็นสภาวะที่จิตมันตรึกในอารมณ์เป็นตัววิตกมีสภาวะรองรับแต่เรื่องราวที่คิดไม่มีสภาวะรองรับไม่มีใจรักนี่เห็นอาการที่จิตคิดผุดความคิดผุดขึ้นพอเห็นตรงนี้ท่านตัวรู้ก็เกิดขึ้นัวจิตน้นเด่นดวงขึ้นมาเลย โอถ้ารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นตัวรู้ก็เกิดขึ้นแล้วตัวรู้เกิดนะั้นแทบเขะหัวตัวเองเลยไอ้ที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่เล็กๆ ก, ก, ก็นั่งมาถึงไอ้ตัวนี้อย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าต้องทาไงต่อโอ้หลวงปู่บอกให้ดูจิตก็เลยคอยดูไอ้ตัวนี้ไว้ดูไอ้ตัวรู้นี่ไว้เดี๋ยวมันก็ไหลเข้าไปจับอารมณ์นะพอไหลเข้าไปจับอารมณ์แล้วหาทางแก้ แก้แก้แกเป็นทีเพ่งนะมันเป็นก้อนขึ้นกลางลหน้าอกเพ่งระเบิดเลยตัวรู้ก็เด่น อ, อีกวันหนึ่งเพ่งไม่แตกแล้วทุบเอาเฉื้อเงานแทงเอาทาลายก้อนที่จิตไปจับอารมณ์เนี้ยค่อยฝึกค่อยแก้เรยแต่เดิมใช้เวลา น, านานกว่าจิตจะวางอารมณ์เพื่อมาเป็นตัวรู้ฝึกไปเรื่อทั่งสามวินาทีถ้าจิตจับอารมณ์นะ รู้ทันพุ๊บเนี่ยมินาทีต้องหลุดละไม่เกินนะั้นอ่ะที่จริงเร็วกนวะ่านั้นอีกตัวรู้นะเด่นดวงอย่างเงี้ไปส่งกันบ้านหลวงปู่อเนี้ยดูจิตได้ละรักษามันไว้นะหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลยนี่แทรกแซงจิตเนี่ยครูบาอาจารย์สอนประโยคเดียวนนะเราพอนับตั้งหลายเดือนเป็นเดือนเดือนเนี่ยทำผิดอยู่สามเดือนไปรักษาจิตผู้รู้อยู่ท่านบอกว่าไปแทรกแซงจิต แล้วก็ไม่เอาใหม่คราวนี้จิตเป็นยังไงเราจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้เห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่ใจนะมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลเกิดร่วมด้วยถ้ะจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้จะเป็นจิตเฉยๆเป็นอุเบกขาเฉยๆเป็นวิบากเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชัว่วจะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะก็เห็นว่าจิตทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปจนวันหนึ่งมันก็เห็นนะว่าทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้ก็เห็นไ้หาหลวงปู่ภานาอีกสี่เดือนเนี่ย เห็นโอ้อะไรมามันก็ไปหมดเลยนะไม่เห็นมีอะไรคงทนอยู่สักอย่างกลับหลวงปู่หลวงปู่บอกช่วยตัวเองได้แล้วไปดูต่อหรือทาถูกละเลยจับหลักนะจับหลักก็คือมารู้จิตใจอย่างที่จิตใจมันเป็นนีการที่รู้จิตรู้ใจนะมันรู้กายไปด้วยโดยอัตโนมัติเพราะจิตมันอาศัยอยู่ในกายนี่เวลานอน อย่างหลวงพ่อนอนนะอย่าพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยตอนตอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้เรื่องหมดนะตั้งแต่เป็นโยมนะยานอนรู้สึกทั้งคืนรู้สึกเวลาพวกเรามาส่งกันบ้านว่านอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยฟังแล้วไม่ตื่นเต้นฟังแล้วไม่ตื่นเต้นบางทีร่างกายมันหลับนะนอนกลวนครอกๆเลยเหนื่อยมากๆร่างกายมันกลัวเลยนะใจมันเป็นคนดู ัเห็นกายก็ทำงานไปใจก็ทำงานไปก็ดูของมันไปเรื่อยเนี่คยค่อยๆคลาทางมาแต่เรื่อยๆนะทีแรกก็เข้าใจผิดมาทำสมาธิก็ทาใจสงบแล้วไม่รู้ว่าใจต้องตั้งมัน่นใจสงบใจก็เคลิมออกข้างนอกไปมีโยนิโสมนสิกา ร, รู้ว่าตรงนี้ไม่ดีไม่เห็นมีประโยชน์ก็่ า, าฝึกให้ใจอยู่กับตัวฝึกใจอยู่กับตัวแล้ว ก็เข้าใจผิดว่าต้องรักษาเอาไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะให้ดูอย่างที่มันเป็นล้วก็ดูเป็นทำงานไปความรู้ความเข้าใจก็ถูกขึ้นเป็นลาดับลาดับรู้หลักของการปฏิบัตินะถ้าทำอะไรไม่ถูกเลยทำสมถะไว้ก่อนงงไปหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรทำสมถะพุโทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ ใจิตใจมันสงบแล้วนะใจมันจะไม่ฟุ้งซ่านแะล้วมันจะเดินปัญญาต่อค่อยๆพี่นาหาทางคลําไปได้โยนิโสมันถึงจะทํางานได้ใจฟุ้งซ่านโยนิโสทํางานไม่ได้รู้หลักเป็นลำดับไปนะทําอะไรไม่ถูกเลยทําสมถะเวลาที่จะเจริญปัญญาอย่าให้เกินกายออกไปให้รู้อยู่ในกายในใจเนี่ยวงขอบเขตสโคบขอบเขตของการศึกษาอยู่ที่กายที่ใจไม่เกินนี้ออกไป เนี่ยอาศโยนิโสมนาสิกานะครรมเส้นทางนี่รู้ว่าให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นสรุปออกมาได้ให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทีแรกก็ฝึกได้ตั้งมั่นมันไม่เป็นกลางรู้สภาวะอย่างนี้ยินดีรู้สภาวะอย่างนี้ยินร้ายยินดีแล้วก็พยายามรักษาพยายามแสวงหา ยินร้ายก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดเกิดแล้วพยายามดับเนี่ยในใจเป็นจิตกระทำกรรมขึ้นมาอีกจิตไม่ได้สักว่ารู้ว่าเห็นเป็นจิตกระทำกรรมขึ้นมาค่อยดูค่อยรู้รไปหนะยังสังเกตนะเสียงกระทบผูนะจิตมันก็ไหวลองดูดูดดใจมันจะไหวขึ้นกลางอก เห็นมันไหวบ้างไหมจะไหวอย่าว่าแต่เสียงะระฆังกระทบหูเลยนะกระพริบตาเนี่ยจิตยังไหวเลยเนะีค่ค่อยๆสังเกตไปนะทีแรกเราก็ฝึกเราเห็นแต่กิเลสห ย, ยาบๆทำมามันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างเราอยู่ในห้องที่แสงสว่างพอดีพดีนะเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปนะแสงแดดกระทบเปลือกตานะความขัดใจยังเกิดเลย นี้เดี๋ยวแค่นี้ก็ขัดใจแล้วงั้นมีผัสาเกิดขึ้นนะโอ้จิตมันก็ทำงานนะค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาเข้าใจได้ก็ค่อยวางไปนะค่อยๆฝึกไปนะไม่ยากอะไรนักหนาหรอกเอาไปกินข้าวไป